ในเรื่องของปัญหาพยามิลินนี้ก็เป็นเรื่องของการสงทนาธรรมระหว่างพระเจ้ามิลินกับพระอร ห, รหนันต์นาคเสนโดยพระเจ้ามิรินหรือพยามิลินเป็นผู้ถามหรือเป็นผู้ปรกชา้าส่วนพระอร ห, รหนันต์นาเคเสนนั้นเป็นผู้ตอบ หรือพิสัชนาในบทสนทนาระหวา่างพระเจ้ามิลินกับพระอาหารหนันต์นาคเกษนี้ปัญหาถามตอบนี้จะเป็นปัญหาในเรื่องของธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาควิปัสสนาเราจมเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาในขั้นต้น ตั้งแต่สุตตะมยปัญญาถึงี่อาตมาภาพได้กล่าวเมื่อกี้นี้เมื่อรวมปัญหาทั้งหมดแล้วมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบสองปัญหาด้วยกันก็คาดว่าในสิบสองวันพระในสามเดือนนี้ก็คงจะนำมาเสนอกับญาติโยมทั้งหลายเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้เกิดทักษะได้เกิดประสบการณ์ในการที่จะ นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นภาวนามยปัญญาในขั้นต่อไปอย่างไรก็ตามในเรื่องของปัญหาพระยามิรินนี้อาตมาได้แบ่งเป็นสามภาพภาคที่หนึ่งก็คือเรื่องราวเบื้องต้นเป็นบทนำคล้ายๆกับบทนำนั่งเป็นภาคที่หนึ่งความเป็นมาของพระเจ้ามมรินความเป็นมาของพราหารหนานาคเกษ ภาคที่สองจะเป็นบทสรมทาธรรมระหว่างพระเจ้ามิรินกับพระอา ร, าหารหนันต์นาคเษนที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่าประมาณเจ็ดสองปัญหาด้วยกันส่วนภาคที่สามก็เป็นภาคส่งท้ายเป็นภาคสุดท้ายก็คงจะจบในออกพรรษาพอดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงภาคที่หนึ่งเป็นเรื่องราวเบื้องต้นเป็นบทนําความเป็นมาของพระเจ้ามิรินความเป็นมาของพระอาราหนันต์นาคาเกษแต่ย่าราไเขาตามขอเรียนโยมไว้แต่เบื้องต้นนี้ว่าในเรื่องของปัญหาพระยามิรินนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น หลังจากพระสมัพผู้เจ้าเราปรัิจุที่ผ่านแล้วประมาณ500ปีะฉะนั้นเรื่องของปัญหาพญามิรรนนี้เป็นเรื่องของหลังพุทธกาลประมาณ500ปีแต่ก็เป็นเรื่องราการสนทนาระหว่างผู้ที่มีปัญญากับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งหลายในภาคปฏิบัติ อันดาบแรกนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงความสมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพระเจ้านิริมกับพระอร ห, รหนันต์นาเกษตรแต่ในอดีตชาติก่อนก่อนโน้นนั่นก็คือเริ่มต้นที่ในสมัยพุทธัดนดรของพระสมาพุทธเจ้าองค์ที่สามคือพระสมมาพุทธเจ้ากัจฉปะ โอกาสสุโตอย่ารืมว่าครสมาผู้จ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้เป็นสมณโหดมนั่นองค์ที่สี่ในกลับนี้ในกลับนี้ในการ น, นี้และเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ามิลินกับพระอร ห, รหนันตนาเกษตนั้นเกิดขึ้นจากเมื่อสมัยอดีตชาติในก่อนโนในสมัยพุทธันดรของ พระสมมาผู้เจ้ากัสปะนั่นก็คือในสมัยพระสมมาผู้เจ้ากัสปะนั้นในเมืองอประเทศนหนึ่งเมืองหนึ่งก็มีวัดวัดหนึ่งตั้งอยู่ใช้ฝั่งแม่น้ําวัดนี้ตั้งอยู่ใช้ฝั่งแม่น้ําในขณะวันหนึ่งก็พระอาจารย์องค์หนึ่ง ก็ทํากิจวัตรประจําวันโดยกวาดลานพระเจดีย์ขวาดลานพระเจดีย์เป็นกิจวัตรประจําวันของท่านเมือ่อกวาดแล้วก็เอามากองกองไว้เมื่อกองขวานเสร็จแล้วเมื่อกองเสร็จแล้วก็เรียกสมณเณรที่นั่งอยู่นั่งหันหลังให้อยู่ให้ไปนขนขยะนั่นไปทิ้ง บอกสมมาเนนนั้นให้คนขยะนั้นไปทิ้งสมมาเนนผู้นี้เป็นค่อนข้างจะเป็นสัมมาเนนที่ค่อนข้างจะเกเลียดครั้งเมื่อพระอาจารย์สั่งให้ขนขยะไปทิ้งก็แก้งเป็นทําไม่ได้ยินแก้งเป็นทําไม่ได้ยินพระอาจารย์ก็บอกกูถึงสามครั้งสัมมาเนนก็แก้งเป็นทําไม่ได้ยินพระอาจารย์ก็เลยเดินไปข้างหลัง เขาด้าไม่ขวาดนั่นแหละฟาดหลังเขาไปทีนึงสมณเณรก็เลยรีบขนขยะนั้นไปทิ้งเมื่อสมณเณรขนขยะนั้นไปทิ้งแล้วก็ได้อธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาไว้ว่าเกิดพบใดแสงใดขอให้มีสักดาอนุภาพมาก ด้วยอานิสงส์ของการค้นขยะไปทิ้งนั่นก็ขอให้ตัวได้เกิดในภพใดชาติหน้าภพหน้าชาติหน้าขอให้มีสัตดาอาอนุภาพมากรีกกว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่พอค้นขยาเสร็จแล้วอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็ลงไปอาบน้ำในแม่น้ำนั้น ขณะที่อาบน้ําในแม่น้ํานั่นเองก็มองเห็นน้ํานั้นเป็นครึ่งระรอกเป็นระรอกครึ่งติดต่อกันอยู่ตลอดเวลามองเห็นน้ํานั้นในแม่น้ํานั้นเป็นระรอกครึ่งซักเข้หาฝั่งอยู่ตลอดเวลาก็เลยเกิดแนวความคิดขึ้นเกิดแนวความคิดขึ้นอีก ก็เลยอธิษฐานจิตต่ออีกเพิ่มเติมอีกว่าเกิดในภพใดชาติใดนอกจากจะมีสัตดาดาอนุภาพมากแล้วขอให้มีปัญญาฉลาดแหลมคมในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องเหมือนกับละลอกคลื่นในแม่น้ำนี้เหมือนกับละลอดคลืค่นในแม่น้ำนี้อธิษฐานจิตยกมือท่วมหัวอธิษฐานจิตขึ้นมา นอกจากจะให้มีสักดาอนุภาพมากแล้วนั่นก็ขอให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมากมายดังครึ่งในแม่น้ํานี้ขนาะเดียวกันก็เป็นเวลาที่พระอาจารย์เมื่อกว่าดการวัดเสร็จแล้วก็จะลงไปอาบน้ําก็เห็นสมณเณรได้อธิษฐานจิตอย่างนั้นท่านเองก็เลยได้อธิษฐานจิตบ้าง ว่าอานิสงส์ของการขวารลานวัดนี้น่ะก็ขอให้ได้ไปเกิดแล้วเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเกิดไปพบสมุนเนี้อีกในพบหน้าชาติหน้ากันอีกก็ขอให้เกิดปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถตอบปัญหาของสมุนเนนี้ได้อย่าให้ติดขัดอย่าให้ขัดข้องใดๆทั้งสิ้น นี่พระอาจารย์ก็ได้อธิษฐานจิตปราถนาในพบหน้าชาติหน้าหากว่าได้ไปเกิดไปพบกันอีกแล้วก็ขอให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดให้สามารถที่จ ะ, อะตอบปัญหาของสมณนช น, น้ได้นี่ก็เป็นอดีตชาตินี่ก็เป็นเรื่องของพุทธังดอนในสมัยพระสมาผู้เจ้ากัดสปะ ร่วมการเวลาร่วมเลยมาทั้งสมณเณรก็ดีทั้งพระอาจารย์นี้ก็ดีตาก็ไปเวียนตาเวียนเกิดในสังสารวัตรกันมานับพกนับชาติไม่ถ้วนกันมานับพกนับชาติไม่ถ้วนในสังสารวัตรนี้ก็มาถึงในพุทธันดรพุทธศาสนาของ พระสมณะโคโดมของเราในองค์ที่สี่แห่งกัปนี้ซึ่งก่อนที่พระธมรผู้เจ้าของเราจะดับขันธ์พระปรณนิพพานนั้นพระองค์ก็ได้มีการพุทธธรรมนายไว้ว่าในอีกห้าร้อยปีหลังจากที่ปทาคตได้ปรินิพพานไปแล้วนั่นจะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อนาคเสสน จะเป็นผู้ที่แตกฉานในพระกายิดกในธรรมะในพุทธวจนะหรือในพระกายิดกต่างๆสามารถที่จะช่วยประยงพุทธศาสนานี้ให้ยืดนานไปกระทั่งถึงห้าพันปีได้นี่เป็นพุทธธรรมนายเป็นพุทธธรรมนายของพระสมมาผูเจ้าของเราก็มาในสมัยพุทธศาสนา ของพระสมณะโคดมนี้นั่นก็คือเมื่อพุทธศาสนาขึ้นมาถึงประมาณห้าร้อยปีสมณเณรน้อยผู้นั้นสมณเณรน้อยผู้นั้นหลังจากที่ไปเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัตรมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วในพุทธันดรานนี้นนสมณเณรน้อยผู้นี้ก็ได้มาเกิดเป็นบรมกษัตริย์ พระเจ้ามิลินเป็นกษัตริย์มีชื่อว่าพระเจ้ามิลินแห่งเมืองสาคุลคนครสาคนสาครสาคนลคนครหรือสาคลราชธานีก็ปรากฏว่าพระเจ้ามิลินนี้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากมีปัญญาเฉลียวฉลาดมากเรียกว่าสามารถเรียนจบ ศิลปศาสตรต่างๆถึง18สาขาด้วยกันจบศิลปศาสากต่างๆ18สาขาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสาหรับพิชัยสงครามสําหรับพิชัยสงครามก็ดีในเรื่องของแทย์กดดีในเรื่องของแม้กระทั่งรู้เขียงสัตวว่าสามารถรู้ อ, อ่านเนสียงสัตได้ ว่ามันพูดมันเจตจาว่าอย่างไรสามารถรู้จักต้นกําเนิดแห่งภูเขาต้นไม้ต่างๆนี่เรียกเรียนจบหมดเรียนจบหมดไร้เพศต่างๆเรียนจบหมดนี่พระเจ้านิฤทธิ์และนอกจากนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือได้มาศึกษาในเรื่องของธรรมะในพุทธศาสนาสามารถเรียนจบเรื่องของพุทสวจนะของพระสัมมาพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจฉลาดสามารถมาก เมื่อรู้ว่ามีพระอาหารหันต์อยู่ในเมืองสาคนนครนี้ที่ใดพระเจ้ามิริงก็จะไปเจรตาไต่าถามปัญหาต่างๆจนกระทั่งพระอาหารหันต์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะตอบปัญหาของพระเจ้ามิริงได้ในที่สุดพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่เมืองสาคนนครนี้ ก็ต้องอบพยศไปอยู่ที่อื่นอบพยศไปอยู่ที่อื่นไปอยู่เมืองอื่นหรือไม่งั้นก็ไปอยู่ที่ป่าหิ ม, มพานไปอยู่ที่ป่าหิ ม, มพานจนกระทั่งเขากล่าวว่าที่เมืองสาคนลนครนี้ไม่มีสมณาขี่พราปราศจากสมณาชี่พรามเพราะไม่สามารถที่จะอยู่ได้เนื่องจากว่าพระเจ้ามิลินจะไปไต่ถามปัญหา ซึ่งไม่สามารถที่จะตอบปัญหาของพระเจ้ามิริงได้ก็เกิดความระยก็ได้อพยพหนีไปหมดจนกระทั่งงวงตาคุณละคร น, นี้เป็นงวงร้างของสมณะชีพรามไม่มีสมณะชีพรามถึงสิบสองปีด้วยกันนี่ก็คือเป็นเรื่องของที่มาของพระเจ้ามิริงเป็นที่มาของพระเจ้ามิริงก็คือมาจาก สมณเณรน้อยนั่นเองโดยอธิษฐานจิดด้วยความปรารถนาด้วยอานิสงส์ของการที่โยคะขนขยาไปทิ้งนะ ด, ด้วยแรงอธิษฐานก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้ามิริซึ่งมีเดชานุภาพมากมีปัญญามากส่วนพระอาจารย์นั้นในพุทธาศาสนานี้พุทธันดรนี้ก็ได้กลับชาติมาเกิด เป็นพระอา ร, าหารหนันต์นาเคเกษเป็นพระอา ร, าหารหนเเรันต์นาคเกษมีความเป็นมาอย่างไรพระอา ร, าหารหนันต์นาเคเกษนั่นก็คือเกิดขึ้นจากพระอาราหันต์ทั้งหลายที่ไม่สามารถจะอยู่ในเมืองคละอาสาคณนครได้ที่ได้หนีไปอยู่เมืองอื่นหนีไปอยู่ที่ป่าหิมะพร้าว เฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่ป่าหิมพานต์นั่นก็ไปอยู่กันอยู่ที่ถ้ำคิตะเลนะไปอยู่ที่ถ้ำคิตะเลนะที่ถ้ำคิตะเลนะนี้ก็มีอรหันต์พูดเท่าท่านหนึ่งชื่ออาสคุตพระอรหันต์อจสคุตวันหนึ่งก็ได้มีการประชุมกันในเรื่องที่ว่า ขณะนี้ที่เมืองส า, นาคนนครนั้นไม่มีสมณะชีพรามอยู่ได้เลยเนื่องจากว่าพระเจ้ามีเริงพอรู้ว่ามีพระสมณะชีพรามอยู่ที่ไหนก็จะไปสนทนาธรรมแล้วก็ไปไต่ถามธรรมซึ่งสมณะชีพรามเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะตอบปัญหาธรรมะอันนี้ได้ต่างก็ น, นี้ไปอยู่เมืองอื่นหนี้มาอยู่ที่ป่าหิมพานติหมดพระอรหรอาาันต์อัสสุขก็ได ถามในที่ประชุมของพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าจะมีใครที่จะสามารถรับอาสาที่จะไปตอบปัญหาของพระเจ้านิรินปรากฏว่าไต่ถามถึงที่ประชุมถึงสามครั้งก็ไม่มีใครที่จะรับอาสาพระอาาัสสกุลนี้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชานุภาพทางฤทธิ์มากเหมือนกัน ก็ทราบ ว, ว่าในขณะนี้มีเทวบุตรองค์หนึ่งในชั้นบนสวรรค์ชั้นดาวดินชื่อมหาเสนเทวบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญามากหากว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะสามารถตอบปัญหาพยาเมือนี้ได้ก็จึงชวนกันขึ้นไปเฝ้าพระสกะเทวราชซึ่งเป็นใหญ่ในเทวดา สักกะเท้าสักกะเทวราชซึ่งเป็นใหญ่ในเทวดาชั้นดบดึงก็ไปขอร้องเพื่อที่จะให้มาหาเสนเทพบุตรลงมาจุติจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะไปตอบปัญหาคือมองไม่เห็นใครแล้วเห็นมีมาหาเสนเทพบุตรนี่แหละเป็นผู้ที่มีปัญญามากตอนแรกทีเดียวก็มาหาเสนเทพบุตรนี่ก็ปฏิเสธก็ บอกว่าเบื่อแล้วเมืองมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันแสนจะลำบากมีความคับแค้นมากมตั้งใจว่าเมื่อุติจากสวรรค์นี้แล้วก็จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสืวอจะไปนิพพานในชั้นสุทธาวาสเลยแต่พระอาสิกุตก็เรียนมหา เสนเถบูดว่าเพื่อเห็นแก่พุทธศาสนาในขณะนี้พุทธศาสนาแย่แล้วอืไม่มีใครที่าสามารถไปตอบปัญหาพระเจ้ามิรินได้ก็เกรว่าต่อไปพุทธศาสนาของเราก็จะเสื่อมสิ้นลงก็ขอให้เห็นแก่พุทธศาสนาขอให้จุศลงมาเจอเป็นมนุษย์แล้วก็จะได้ไปตอบปัญหาพระยามิรินได้มหาเสนเถบบตรก็รับ รับคำของพระอาหารหันตาอสคุตวันดีนดคืนดีได้เริกแล้วมหาเสนเทวตรก็สุจิจากเทวดามาเกิดในโลกมนุษย์ไปเกิดในครอบครัวของพราหมณ์ที่โสนุตระโสนุตระ ที่หมู่บ้านช่างคระคามใกล้ๆกับไม่ไกลกับป่าหิมพร้าว น, นะในขณะที่มหาเสนเทเบอรไปสุติไปเกิดนั่นก็เกิดความมหัศจรรย์ขึ้นหลายหลๆอย่างซึ่งในขณะนั้นก็ไม่ใช่ฤดูฝนแต่ก็มีฝนตกลงมาเป็นต้นพวกซาตราอาวุธต่างๆก็มีแสงมีแสงออกมานั่นเขาเรียกว่าเป็นมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์ วันนี้พระอาจมาพุทธก็รู้แล้วว่ามหาเสนเทวบุตรนั้นได้จุติจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้สั่งให้พระอรหันต์องค์หนึ่งชื่โรหณนะโรหณนะเพราะว่าขณะนี้มหาเสนเทวบุตรนั้นมาจุติเอามาจุติมาแล้วมาเกิดเป็นอยู่ในครอบครัวของพรามก็เพื่อจะให้พระรามนั้นได้เกิดความเม่อยใสในพุทธศาสนา พระสกุลเดินได้ให้พระอาหารหันต์โรหะไปบินธบาต ท, ที่บ้านพราหมณ์นี้ทุกวันให้อดทนไปบินธบาต ท, ทุกวันแม้ว่าพราหมณ์นั้นจะไม่ใส่กบาตไม่ใส่บาทก็ตามให้อดทนอยู่ถึงสิบปีอ่ะ็ดปีกับสิบเดือนให้อดทนไปบินธบาต บ, บ้านที่หน้าบ้านพราหมณ์นี้ไปเวลานานถึงเจ็ดปีกับสิบเดือน พระโลหณะก็ได้ไปบินธบาตผ่านที่หน้าบ้านพราหมณี้ทุกวันทุกวันแม้แต่ไม่ได้ข้าวสักทัเพีหนึ่งมีคนในบ้านไม่เคยพูดด้วยสักคําไม่ได้อาหารเลยพระโลหณะก็โดนไปดินธบาติที่หน้าบ้านพราหมณี้ทุกวันจนกระทั่ง เมื่อเจ็ปีผ่านไปแล้ววันหนึ่งพรามก็ไม่ได้อยู่บ้านก็มีคนในบ้านเห็นพระโลหณะมาบินทบากก็ขับไล่ตวาดขับไล่ไปตวาดขับไล่ไปบอกว่าทั้งๆ ท, ที่คนในบ้านนี้น่ะไม่ได้ใส่บาทักทัพงทีเลงก็ยังสู้สามาได้ถึงเจ็ดปีกว่าแล้วมาทุกวันเลยตวาดขับไล่ไป พระนั้นก็ออกเดินจากบ้านนั้นไปบังเอิญก็สวนกับพรามโสนุตรพราหม์เจ้าของบ้านซึ่งออกไปธุระนอกบ้านก็เดินสวนกันพรามนั้นก็ถามก็แกล้งถามพระนั่นแหละบอกว่าท่านได้อะไรบ้างวันนี้ท่านสู่จามาเดินมาบินส บ, บายทุกวันเจ็ดปีกว่าแล้วท่านได้อะไรบ้างวันนี้ท่านได้อะไรบ้าง พระโรฮานาก็ตอบไปว่าได้อยู่หน่อยหนึ่งโยมวันนี้ได้หน่อยหนึ่งพระนี่ก็โกรธนึกว่าคนในบ้านคนในบ้านวันนี้คงจะใส่บาตรพระก็โกรธก็เลยถามไปว่าท่านได้อะไรก็กระผมสั่งไว้แล้วว่าไม่ให้ใส่บาตรไม่ให้พูดด้วย ท่านได้อะไรท่านบอกว่าท่านได้หน่อยหนึ่งท่านได้อะไรพระหะาณะก็ตอบว่าอาจามาได้คำพูดที่ตะวาดแล้วก็ขับไล่ได้คำพูดที่ตะวาดแล้วก็ขับไล่ว่าปุสา ม, มาได้ทุกวันทั้งทที่ไม่ได้ใส่บาตรเลยแม้แต่น้อไม่ได้พูดด้วยเลยตะวาดไล่ให้ไปที่อื่น อาตมาถือวันวันนี้อาจจะมาได้ซึ่งอาตมาเดินมาเจ็ดปีกว่าแล้วไม่ได้ข่าวทักทัพีเลงแล้วก็ไม่ได้มีใครพูดด้วยแต่วันนี้มีคนในบ้านของโยมนั้นพูดด้วยคือกล่าวสวาดแล้วขับไล่พระามโสนุตระได้ฟังอย่างนี้ก็เกิดพระโอนี่เราไม่ได้ใส่บาตรเลยแม้แต่ทักทัพทีหนึ่ง แล้วคนในบ้านตะวาดขับไล่ท่านยังเอามาชมท่านยังเอามาชมกับเราว่าท่านได้หน่อยหนึ่งท่านได้วันนี้ครามโสนุตระนี้ก็เกิดความเรื่องใสเกิดความเรื่องใสท่านไม่ได้โกรธเลยท่านไม่ได้โกรธเลยทั้งที่ตะวาดก็ขับไล่ท่านยังบอกว่าท่านได้ก็เลยทางผู้นี้ก็เลย นิมนต์พระโรหณะ น, นี้ไปฉันอาหารที่บ้านทุกวันเห็นความดีของพระอรหันต์โรหณะขอนิมนต์ไปฉันอาหารที่บ้านทุกวันขณะที่พระโรหณะไปฉันอาหารที่บ้านโสรุตระพราหม์ทุกวันนั้นเด็กน้อยหน้ากระเซนซึ่งเป็นลูก ตอนนี้ก็อายุประมาณเจ็ดขวบก็ให้ความสนใจเด็กน้อยหน้ากเกษตรนี่เป็นผู้ที่มีปัญญาดีเด็กๆขนาดนั้นเนี่ยเรียนศิลปาศาสตร์ต่างๆจบหมดแล้วเหมือนกันเรียนศิลปศาสตร์ต่างๆจบหมดแล้วเหมือนกันแต่มาพิจารณาว่าศิลปศาสตร์ที่ตนได้เรียนมานั้นเน่ะที่พ่อให้ก่อนเรียนนั้นเน่ดูแล้ว ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเมื่อเห็นพระอระหันต์โรหณนะมีความสงบสงียมเรียบร้อยเกิดความสนใจเขียนเข้าไปถามพระอระหันต์โรหณะว่าท่านสามารถที่จะบอก พระอาหารหันต์โรหณะว่าท่านสามารถที่จะบอกเิลรปสัตข้าปเจ้าอะไรได้บ้างพระโรหณะก็ตอบว่านี่นี่เด็กน้อยหน้ากรเก็นั้นก็ดีใจว่าพระองค์นี้ สามารถบอกศีลและ菩萨เราได้แต่ก็ได้ไต่ถามท่านก่อนว่าทําไมท่านโกนหัวทําไมท่านจึงผมผ้าสีคร้าอย่างนี้พระโรหณะนั้นก็ตอบว่าที่เราโกนหัวโกนคิ้วกโกนหนวดต่างๆแล้วที่เราผมผ้าสีคร้าอย่างนี้ก็เพราะว่าในขณะนี้เราตัดปริพลดคือความกังวลต่างๆ ออกไปหมดแล้วเราไม่รักสวยรักงามถ้ายังมีผมมีหนวดอยู่มันก็ต้องทำความสะอาดอยู่ยังรักสวยรักงา ม, ามอยู่แต่ขณะนี้เราตัดบรโิโยคคือความกังวลในเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเหล่านี้ได้หมดแล้ว ừ, เด็กน้อยก็เด็กน้อยหน้าเกษตรก็ให้ความสนใจอย่าที่จะให้พระโรห a n านี้บอกศิลปศาสตร์ให้ พระโหณะนี่ก็บอกว่าจะบอกศีลปศาสตรให้ก็ได้แต่เธอต้องตัดประโยชน์กังวลอย่างอาตมานี้ต้องไปบรรญชาเป็นสมณีนิก่นหัวกลโนดผอมผ้าสีคล้ําอย่างอาตมานี้แล้วอาตมาถึงจะบอกศิลปศาสตรให้ได้ เด็กน้อยก็ให้ความสนใจต ก, กลงที่จะตัดความปริโธดกังวลโดยยอมที่จะไปบวชเนนเพื่อที่จะได้ฟังศิลปาษาจากท่านอารหันต์รหนะก็คิดว่าทำอย่างไรที่จะขออนุญาตพ่อแม่ซึ่งอยู่ในตระกูลพราหมณ์ออกไปบปรรพชาเป็นสมัมณเนยอย่างพระอรหันต์นี้ได้ก็เลยแกล้งเป็นไม่กินข้าวกินปลา ่ะแกล้งเป็นไม่กินข้าวกินปลาพ่อแม่ก็สงสัยลูกไม่กินข้าวกินปลาพรา้อมลงพร้อมลงก็ถามว่ามาเรื่องอะไรเด็กน้อยหน้าจตุเตนก็บอกว่าจะขออนุญาตพ่อแม่ไปบวชเนนอยู่กับพระอรหันต์โรหนะนี้กลัวพ่อกับแม่จะไม่อนุญาตจึงตรอมใจอย่างนี้ พ่อแม่ก็รักรูกก็นึกว่ารูกไปบวชเนรแล้วไม่ช้าไม่นานก็กลับมาได้ก็อนุญาตตรงก็ให้เด็กน้อยน่าเสสั์ไปกับพระโรหณนะเมื่อถึงถ้ำกิตาเรณะแล้วพระโรหณะก็บวชเด็กน้อยน่าเสสัเป็นสัมมาเนร เป็นสนัมเณนขณะที่บวชสัมเนนนั้นนะก็สามารถได้เรียนในเรื่องของธรรมะอะไรต่างๆได้มากมายเรียนศิลปศาสตร์ต่างๆได้มากมายแล้วก็ถามว่าศิลปะอะไรที่พระโรหณะจะบอกต้นนั้นก็ให้บอกได้พระโรหณะก็เห็นว่านาสเซนเป็นผู้ที่มีปัญญาดีเป็นผู้ที่มีปัญญาดี ไอาศิลปาษาที่จะบอกนั้นก็ควรจะเป็นเรื่องของพระอภิธรรมพระอภิธรรมอืซึ่งเป็นหนึ่งในพระไตรปิฎกนั้นพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนั้นเพระพระโรหณะก็ได้บอกในเรื่องของได้สอนในเรื่องของพระอภิธรม ร, ธรมพระิธรรมปิฎกนั่นเองพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนั้นสมณเณรหน้าเกษ ร, รก็สามารถเรียนได้ เรียนรู้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วเมื่ออายุได้ยี่สิบปีก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุยังแต่ว่ายังไม่ได้เป็นอรหันนะบวชเป็นพระภิกษุเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วพร ะ, ะโรหนะก็ได้ส่งพระภิกษุหน้ากเกษณนี้ไปเรียนพุทธวจนะพุทธวจนะ ที่วัดอโศการามที่เมืองปาราจีบุรวัดอโศการามคือเป็นวัดที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างเมื่อปีพศออประมาณพศสามร้อยสร้างเพื่อให้พระสงฆ์ทำสังขยาครั้งที่สามทำสังคยาครพระไตรปิดกครั้งที่สามวัดอโศกการามปัจจุบันนี้ก็ยังมีร่องรอยอยู่มีซากอยู่มีบริเวณอยู่ ที่เมืองปาตริบุตรวัดอโศการามมาอยู่กับพร ะ, อะมอบหมาให้กับพระ อ, ะอะรักขิตพระรักขิตเพื่อให้มาเรียนพุทธวจนะพระน่ากระเซษนก็มาเรียนพุทธวจนะได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วรู้หมดในเรื่องของพุทธวจนะของพระสมาผู้เจ้าของเรา ที่ตรักสอนต่างๆธรรมะต่าง ๆ, ๆพระริคตะนี่เป็นผู้สอนให้เมื่อพระนาคเส์ได้เรียนพุทธวจนะได้มากมายพอสมควรแล้วพระริคตะนี่ก็พิจารณาว่าขณะนี้พระนาคเส์ยังไม่เป็นอรหันต์ก็เกรงว่าจะไม่สามารถฟ่ง ธรรมะต่างๆเหล่านี้ไว้ได้ก็ยังไม่ได้เป็นพระอระหันต์ถ้าหน้ากับเสนี่ก็เรียนรู้ทางด้านประยัตทั้งหมดทั้งพระอธิธรรมทั้งอะไรต่างๆทั้งหมดพุทธวจนะนั้นก็คือเป็นเรื่องของพระสูตรนั่นแหละที่พระเจ้ดดตาตรัสสอนกับมหาอา ก, กับพระสงฆ์ทั้งหลายกับมหาชนทั้งหลายนั่นเองวันหนึ่งพระริยสัจณี ก, ก็ได้พูดเป็นอุบาย พูดเป็นอุบายให้กับพระน้าเกษณ์ฟังเพื่อจะให้นาพระน้าเกษณนี้ได้เร่งปฏิบัติเพื่อจะให้เป็นพระกระหัน่นวันหนึ่งพระฤกิตานี้ก็กล่าวกับพระน้าเกษณว่าตามธรรมดาคนที่รับจ้างเลี้ยงโครับจ้างรีดนมโคนั้นไม่เคยรู้รสความ อร่อยของนมโคเลยพินแต่รับจ้างเขาเลี้ยงโครัรบจ้างเขารีดนมโคแต่ตนเองไม่เคยที่จะรู้รสว่านมโคนั้นไม่มีรสอร่อยแค่ไหนอย่างไรพูดเป็นทำนองเป็นอุบายอย่างนี้ถ้าน่ากเกษร์ก็รู้ได้ทีเดียวว่าพระอาจารย์ก็คล้ายกับได้สอนตนว่าตนนั้นได้เรียน ในเรื่องของธรรมะนั้นหมดแล้วเรียนทางด้านประยัตนั้นหมดแล้วทั้งด้านอภิธรรมทั้งพุทธวจนะอะไรต่างๆหมดแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะเป็นอรหันต์แล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งคุณธรรมด้วยความรู้ทางด้านธรรมะนี้ขั้นสูงนี้ไว้ได้ตนจึงได้เร่งปฏิบัติเร่งปฏิบัติจนกระทั่ง ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์จนกระทั่งได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์นี่ก็คือความเป็นมาของพระอาหารหันต์หน้าเกษตความเป็นมาของพระอาหารหันต์น้าเกษตรเมื่อพระหน้าเกษตเป็นอาหารหันต์แล้วพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็จึงบอกเล่าความจริงในเรื่องของพระเจ้ามิรินให้ทราบว่า ขณะนี้พระสมณะชีพรามตั้งหลายไม่มีอยู่เลยหนเมืองสาคนนครเพราะทนพระเจ้ามิรินมาใต่ถามปัญหาธรรมะไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วก็หนีออกไปอยู่เมืองอื่นหนีออกไปอยู่ป่าหิมพานหมดขอให้พระน้าเกษมนี่นะ่ะไปในเมืองสาคนนครเพื่อที่จะอตอบปัญหาของ พระเจ้ามิรินขาหน้าเกษพระอารหันต้าเกษนี้ก็มาที่เมืองสาคนณนครขณะนั้นพระเจ้ามิรินก็พยายามให้อมาตพยายามไปสอบแสวงหาว่ามีพระอรหันต์อยู่ที่ไหนเพื่อจะไปสนทนาธรรมะด้วยเพื่อจะไปไต่ถามธรรมะอมาก็กราบทูลว่าบันนี้ไม่มี แต่ขณะนี้มีอยู่มีมาอยู่ใหม่อองหนึงชื่อหน้าเกษตรมีมาอยู่ใหม่อองหนึ่งก็ไม่ไกลจากเมืองนี้ไม่ไกลจากเมืองหลวงพระนาอาพระเจ้ามิรินก็ให้อำมาไปนิมนต์ไปอาราธนาพระหน้าเกษตรเข้ามาในวังเมื่ออำมาไปถึงขนาเกษตแล้วบอกว่าพระเจ้าเ็นนินพระเจ้ามิรินให้มา มีมนพระคุณเจ้าเข้าไปในวงังเพื่อจะไต่ถามสนทนาปัญหาธรรมะด้วยพระน่ากระแสงก็ตอบว่าอาตมาไม่เข้าไปถ้าพระเจ้ามิรินประสงค์ที่จะสนทนาธรรมกับอาตมาก็ขอให้พระเจ้ามิรินมาที่นี่อาหมัก็มากราบทูลพระเจ้ามิรินพระเจ้ามิรินก็ออกไปไปพบ พระอาหารหันต์น่าเกษณเมื่อพบแล้วก็เมื่อหลังจากทำการคารวะ ก, กันเรียบร้อยแล้วพระเจ้ามิรินก็กลาเรียนพระอาหารหันต์น่าเกษมว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ โยมขอสนทนาธรรมด้วยจะได้ไหมพระอาหารหนันต์นาคเกษมก็บอกว่าขอสวาดพระพรพระหมหาบพิตรอัตมา ย, ยินดีที่จะสนทนาธรรมกับพระองค์ด้วยพระจ้ามิลมนินก็บอกว่าข้าพเจ้าออ่าโยมขอถามปัญหาพระนาคเกษมก็บอกว่า ให้โยมถามได้เลยพระจังมิลิงก็บอกว่าโยมถามแล้วพระนาคเสกเสงก็ตอบว่าอาตมาก็ตอบโยมแล้วพระจังมิลิงก็ถามว่าตอบว่าอย่างไรพระนาคเสกเสงก็ตอบว่าโยมถามว่าอย่างไร่ะอาตมาก็ตอบอย่างนั้นนี่เป็นการสนทนากันครั้งแรกลองไว้คริป ดูชั้นเชิงกันดูชั้นเชิงกันพระหนากเส่นเราก็ไหวทันไหวทันก็คือพระเจ้ามิลิงถามในใจบอกว่าถามแล้วพระนากระเส่นเราก็บอกเราก็ตอบแล้วคือตอบในใจเหมือนกันพระเจ้ามิลิงถามว่าถามว่าอย่างไรอตอบว่าอย่างไรล่ะพระนากเก่นก็ตอบว่าโยมถามว่าอย่างไรอ่โยมถามในใจว่าอย่างไรตั้มาก็ตอบอย่างนั้นนี่แสดงว่า ไหวทันกันใช่ไหมชั้นเชิงพรทันกันนี่เป็นการพบกันครั้งแรกเป็นการพบกันครั้งแรกอาตมาเลือกดูเวลาก็รู้สึกว่าจะได้เวลาพอดียังไม่ได้เริ่มสนทนาธรรมกันในวันท่าหน้าโยมจะเริ่มสนทนาธรรมกันพระเจ้ามิรินเป็นผู้ถามแล้วพระน่ากัลเซนเราเป็นผูต้ตอบ ดูในพบกันครั้งแรกก็เรียกว่าไวพริบพอกันเช่นไหมโยมไหวพริบปลอกกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจโ ย, ยมเป็นเรื่องธรรมะในขั้นวิจวรณ์นาในขั้นปัญญาหวังว่าวันพระหน้าโยมคงไม่พลาดนะถ้าใครพลาดเขาเสียดายวันนี้ก็เคงเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้ว่าเมื่อพระเจ้านิรินพบกับพระอระหันต์หน้าเกส์แล้วในวันพระหน้าก็จะเป็นเริ่มต้น สงทนากันเริ่มต้นถามปัญหากันเอาละสลับต่อจนี้ไปก็ขอญาตยงมทั้ง